อาทิตย์หนึ่งผ่านไปเร็วมากนะพาะกูยังจำได้ตอนเด็กๆนะวันนี้ไม่ชีบวดใหม่รูปมึงนนะนะวันนั้นขอพ่อกูบวดพ่อกูบอกกล้วยบวชีก็แล้วกันนะเดี๋ยวบวช ด, ด้วยทาหน้าที่นักบวชก็ได้ครึ่งหนึ่งทํานักเรียนก็ได้ครึ่งหนึ่งเอาทีละอย่างนะจาับปลาสองมือมัน มันจับไม่แน่นเดี๋ยวมันก็จะหลุดไปทั้งสองอย่างนะตอนนี้เราทําหน้าที่เราเรียนก็คือเรียนเรียนด้วยบวช ด, ด้วยเขาเรียกว่าบวชเรียนทุกวันนี้บวชเรียนนะถ้าบวชแล้วต้องเรียนทางธรรมถ้าบวชแล้วไปเรียนทางโลกไปอยู่กับโลกเขาเนี่ยมันก็เลยเขาจะงงนะพอไปโรงเรียนครูก็สอนแบบหนึ่งพอเข้ามาอยู่ในวัดครูบาอาจารย์ก็สอนอีกแบบหนึ่งมันจะงง ก็ให้อายุมากขึ้นกว่านี้ก่อนแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะเอาอยัางไงนะตอนนี้ตอนนี้มันสับสนกันไปหมดแล้วถ้าเราไม่นิ่งๆ น, นะเราจะถูกขึ้นสับสนเนี่ยครอบงำอยูนะ่เมื่อกี้พอกูนั่งรถมาแก้วทิพย์ขับเขาบอกว่าวันนี้วันเสาร์จะพูดเรื่องอะไรมันไม่มีคําตอบตอนนี้พูดพูดพดพูดไปพอเจอแพ็กก็เลยพูดเรื่องแพ็กก่อน ก็เลยเริ่มจากแพ็กมาทีนี้ก็เมื่อกี้ก็แว บ, บมาวันนั้นมีคนปรึกษาพรกครูว่ามีเพื่อนต่อว่าเขาถูกต่อว่าเขาเป็นคนไม่มีศัตจรจูพระครูถามว่ามีไม่มีศัตรูจจะอะไรเขาบอกเราตกลงกันเราเคยมีสัญญากันไว้อย่างนี้แต่ทีนี้มันมีเหตุการณ์ที่เขาทำตามสัญญาไม่ได้เขาถูกด่าว่าเป็นคนไม่มีศัตจรู สัญญาก็คือสัญญามันไม่ใช่สัจจะสัญญากับสัจจะคนละเรื่องนะเพียงแต่ว่าในเวลาที่เราตกลงกันทำสัญญากันเน่ยเราต้องไม่มีเจตนาที่จะโกหกเขาสมมติเรานัด ก, กันว่าพรุ่งนี้ไปเจอกันนาตีห้าแน่นอนนะแน่นอนลูกผู้ชายบังเอิญเมื่อคืนนี้แผ่นดินมันไหวอะไม่ได้ฉันต้องรักษาสัจจะก็ ต้องไปให้ได้แล้วก็ตายอันนี้สัจจะแบบซื้อบื้อสัจจะคือความจริงทำดีดีทำชั่วชั่ว น, นั่นคือสัจธรรมทำดีดีทำชั่วชั่วนั่นคือสัจจะส่วนสัญญานั้นแก้ไขได้ตามเหตุและปัจจัยแต่ทุกวันนี้เรามาทุกข์เพราะไอ้สัญญาเรามาทุกข์เพราะสัญญา เราไปเข้าใจว่าไอ้สัญญานั้นคือสัจจะต้องเป็นคนมีสัจจะตายเป็นตายถ้าถูกต้องถ้าเรามออีมีทางเลือกเราก็ต้องทำตามสัญญาแต่ถ้าคือเหตุปัจจัยมันเปลี่ยนเราจะไปยังยึดมั่นถือมั่นกับสัญญานั้นแล้วก็ไปเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายนี่เขาเรียกว่าเป็นสัจจะแบบซื้อบือ้อ สัจธรรมความจริงคือทำดีดีทำชั่วชั่วเราต้องไ ม, ม่มีเจตนาที่จะหลอกลวงเขาหรือโกหกเขานะพ่อครูเองหลายปีอยู่ที่นี่ก็เจอผู้คนบางทีก็อบรมเคยมีตำรวจชุดหนึ่งพ่อครูก็พูดกับเจ้าหน้าที่บอกวดพ่อครูไม่ได้ยึดหลักกฎหมายนะกฎหมายเป็นสัญญามนุษย์เรา ตกลงสัญญาว่าเออเราจะอยู่ภายใต้กฎหมายเหตุก็คือสัญญาระหว่างคนกลุ่มหนึ่งสัญญาว่าจะอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์แบบนี้พ่อครูบอกถ้าไม่จำเป็นพวกครูก็ไม่ผิดสัญญายกตัวอย่างหลายปีก่อนพ่กครูมาอยู่ที่นี่สิบปีไม่มีไฟฟ้านะแล้วในหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านมีรถพ่อพครูคันเดียวนะตอนนี้เต็มบ้านเต็มเมืองแล้วมอเตอร์ไซค์เต็มไมหมด พอมีใครไม่สบายในหมู่บ้านตีสองตีสามมาปลุกพ่อครูตอนนั้นไม่มีทางแบบนี้นะเป็นทางเกียนน่ะเป็นดินทรายอะไรติดหลมบ้างไม่ติดลมบ้างเนะ่ก็ลยุยกลางดึกพาเขาไปโรงพยาบาลพ่อครูวิ่งออกถนนใหญ่พระครูผิดกฎจราจรเพื่อรักษาชีวิตแต่ถ้าโดนตำรวจจับปุ๊บก็ยังไม่ผิดสัญญานะ สัญญาเขาตกลงกันว่าถ้าเธอขับรถเร็วเกินความเป็นจริงเธอจะต้องถูกปรับแค่นี้แล้วก็เสียค่าปรับอีกแล้วก็ยังไม่ผิดสัญญาแต่ถ้าเราไปยึดมั่นถือมั่นในสัญญานะั้นกลัวมันผิดแล้วเราก็เฮ้ยไม่ไม่ใช่เรื่องของฉันฉันจะไปเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายแตาาย่ไมผิดกฎหมายทําทำไมเธอนอนตายไปเียๆเ <laughs> พราะคูยยึดหลักกฎแห่งกรรมยึดหลัก มนุสสยธรรมคุณธรรมทุกวันนี้เราเอากฎหมายมาห้ามผันกันเอากฎหมายมาจับถูกจับผิดกันสร้างกรรมกันตลอดเราคิดว่าคนดีของเราเนี่ยต้องคนคนรักษากฎหมายเป็นเรื่องที่ดีนะถ้าไม่จำเป็นอย่าไปผิดกฎหมายผิดกฎหมายเนี่ยมันจะมีการเบียดเบียนเกิดขึ้นแต่ถ้าผิดกฎหมายเพื่อการให้แล้วเนี่ยพ่อครูยินดีผิดตลอดเวลา เราต้องผิดกฎจราจรเพราะเราไปช้าบางทีมันอาจจะตายก่อนยกตัวอย่างอย่างนี้นะสัญญาก็คือสัญญาไม่ใช่สัจจะโดยเฉพาะไอ้สัญญาที่ไม่มีสติะที่นี่ยี่สิบกว่าปีนี่เราอา น, นิสงส์ที่พวกเราเป็นผู้ให้นะี่ยนะจิตอาสาที่นี่เหมือนกันเราให้เราช่วยเขาช่วยเขาเรามีโอกาสเรียนรู้คนมากหน้าหลายตา เรียนรู้หลายๆจิตวิญญาณนั่นคือสิ่งที่เรายิ่งให้ก็ยิ่งได้แล้วก็ได้ประสบการณ์จากตรงนี้ก็มีครั้งหนึ่งเกือบสิบกว่าปีก่อนสิบเจ็ดสิบหกสิบเจ็ดปีนี่แหละมีนางสาวเอนางสาวเออยู่ที่อุบลเขาเป็นนางสาวแต่ว่าจริงๆแล้วเขาเขาขึ้นว่าแต่งงานแล้วก็แต่งงานไม่มีลูกกันนะ เขาเป็นโรคเอ e แอล LE, โรคภูมิแพ้ชนิดหนึ่งแบบพุ่มพวงดวงจันทร์หมอก็บอกว่าตายช้าหรือตายเร็วเท่านั้นเองถ้ามีตังก็คือคือโรคนี้มันไปทำลายภูมิคุ้มกันนะให้มันอ่อนแอแล้วก็โรคภัยไข้เจ็กมันก็เข้ามาเบียดเบียนหมอก็รักษาแล้วเนี่ยรักษาทุกอย่าง หมอก็บอกนางสาวเอบอกว่าทำใจเถอะไม่ต้องรักษาแล้วนะไปปฏิบัติธรรมหมอให้เวลาสองเดือนภูมงพวงดวงจันทร์จะเอาไปเป็นหางเครื่องไม่มีทางเลือกเลยมารู้จับแพทย์จับภูมีคนแนะนำมาที่ศูนย์วันแรกมาที่ศูนย์นี่เด็กๆ ในหมู่บ้านนี่เห็นวิ่งหนีเลยเขาผอมจนเหมือนไม้เสียบผีนะหน้าตานี่ดดำเกียมหมดเลยเพราะว่ามันแพ้ทางผิวหนังหัวนี่ก็โลนๆไงนะเพราะไปกินยาสเตอรอยอะไรพวกนี้ผงร่วงหมดจริงๆแล้วนี่เขาเป็นคนหน้าตาดีเป็นคนสวยนะแต่เวลานั้นน่ะก็ที่เราเรียกว่าผีน่นะ ก็ผีในร่างมนุษย์ก็เหมือนผีผีคือว่าคือรูปรักษ์ไม่ไม่เหมือนคนแต่พระคูเห็นจิตเขาว่าจิตเขาไอ้จิตมันก็ยังดีอยู่ก็เขาอยู่ปฏิบัติหมอบอกให้เวลาสองเดือนเขาอยู่สามเดือนเนี่ยปฏิบัติกิ้งแล้วในเวลายี่สิบกว่าปีของพระคูไม่เคยเห็นใครที่ทรมานขนาดนี้ ชั่วโมงแรกเขานั่งเขาขึ้นมาเนี่ยเขาโดยขึ้นมาเขาเอาหัวเขาปึ้งล้มลงไปฟาดพื้นเลยนะแล้วก็พื้นไม่พอแล้วก็เอาหัวทุบทุบเราเอาเบาะไปไปให้มันเบี่ยงเบาะทิ้งมันต้องเจ็บไงใช่ไมทุบทุบทุบทุบตลอดมันเป็นเรื่องของจิตมันรักษาตัวเองแล้วมันจ่ายนี่กรรมอันนี้เป็นช็อตแรกนะเขาก็กูคูให้เขาเขียนรายงานตลอด เขาเห็นภาพที่เขาเาตีหัวประดุกมันดิ้นเวลานั้นมันกลายเป็นประดุกถูกตีหัวเอาเบาให้เอาเบาออกมันต้องเจ็บเอาเป็นว่าในสามเดือนนั้นเขาแบบสุดๆเลยแต่ตอนนั้นเขาเแค่เอาพลังสมาธิเขาเห็นภาพแวบๆนิดหนึ่งเขาไม่เห็นอะไรมากนะ สามเดือนเขาฟืน้นผมยาวขึ้นมาดำหน้าตาหายหมดหน้าตาหายหมดพอหายแล้วก็คิดถึงแปดก็ออกไปไปใช้ชีวิตอีกเก้าปีบังเอิญเจ้าสามีก็เป็นคนเจ้าชูไงทุกวันนี้เขาเลี้ยงบาลี นะไม่ใช่เลี่ยงกฎหมายนะนักกฎหมายก็เลี่ยงกฎหมายนักปฏิบัติธรรมนักนักศึกษาธรรมศึกษาวิชาการนิวตันศาสตร์เขาเรียกว่าเลี่ยงบาลีนะแฟนเขาไม่ใช่ไปมีชูนะแต่ไปมีกิกถ้ามีกิกไม่ผิดนะมีชูผิดศีลไงไปมีกิกไอ้โจเอมันก็ทุกมากมันก็ไปเที่ยวบ้าง มันลืมตัวว่ามันเป็นมันเคยหายมันเคยเป็นโรคไปกินเหล้าเมาย า, านอนถอึงเดืนเดือนโลกก็กําเริบอีกตอนนี้เขารู้เลยว่าเขาต้องไปไหนเขาก็กลับมาอยู่ที่นี่อีกสี่เดือนแต่สี่เดือนเนี้สามเดือนแรกเนี่ยเขาระลึกชาติได้ยี่สิบกว่าชาติเขาบันทึกไว้ตอนนี้สมุดเล่มนั้นอยู่กับพ่อครู ยี่สิบกว่าชาตินั้นมีแต่ชาติที่ทรมานมากแล้วเขาเกิดเป็นผู้หญิงก็ดีเป็นผู้ชายก็ดีเป็นสัตว์ก็ดีเนี่ยไม่เคยมีลูกเขาก็ไปเห็นชาตินึงว่าเขาเป็นในพานไปล่าสัตว์ไปยิงกวางตัวหนึ่งใหญ่มากแล้วก็เอาดึงกลับบ้านมันหนักมากเลยแล้วสุดท้ายตัวเองก็ ลม iveness, <c oughs> ้มลงไปไม่สบายเขาอยู่ต慢慢 ar, <c oughs> ัวนั้นคงหลายวันเหะมันก็ร้องในกรรมฐานว่าเหม็นเหม็นจังเลยจนไอ้กวางตัวนั้นเน่ยมันเน่าแสดงว่าหลายวันใครก็ได้ช่วยหน่อยใครก็ได้ช่วยหน่อยร้องในกรรมฐานนะทีนี้ก็มีนายพานเด็กคนหนึ่งเนี่ยมาช่วยชีวิตเขากลับบ้าน มันก็นอนเป็นไข้โสมแล้วก็ตายยี่สิบกว่าชาตินั้นตายหงหมดตายคาว่าตายหงคือว่าไม่แก่ตายส่วนมากเจ็บไข้ได้ป่วยตายมีสองชาติชาตินึงไปเป็นก็มีภรรยาเหมือนกันก็เป็นผู้ชายก็ทิ้งภรรยาเนี่ยหนีเข้าป่าไปบวช ไปปีวิเวกก็ไม่สบายอีกภรรยาก็ไปนั่งเฝ้าวิธีที่จะขาดใจตานั้นก็ยังมองภรรยาอย่างเป็นห่วงอยู่ขึ้นไปบนบนสวรรค์เพราะว่าอา น, นิสง์ของการบวชไปเป็นนางฟ้าอันนี้อันนี้มันเขียนรายงานนะ ไปเป็นนานฟ้าก็ไปปิ้งเทวดาอีกไปผิดศีลผิดธรรมอีกเนาะตกลงมาเกิดเป็นงูใหญ่อยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งคือเขาสะท้อนดีมากแล้วอารมณ์ของงูนั่นงูชอบฟังธรรมมากมันแอบอยู่ในถ้ำพระธุดงค์ก็ไปนั่นแล้วก็มีท่านแสดงธรรมาอยู่มันก็แอบฟังแต่มันทุกข์มากเพราะมันอยากถามมันถามไม่ได้งูเป็นสัตว์หนึ่งในสิบชนิด ที่ผู้เจ้าบอกให้ละเว้นการฆ่ามันจิตมันใกล้มนุษย์มันบันทึกสัญญาได้เนะเขาสะท้อนแล้วมีชาติหนึ่งมันเกิดเป็นชาวอายุไม่ใช่ไม่ใช่ยุทธยายุค อ, อยู่แถวพิษณุโลกอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าอ ะ, อ, ะอะไร ชาวบางละจันเป็นคุณยายนะเอคิดว่าชาตินี้คงแก่ตายล่ะไม่สามีไปกรกกับพม่าถูกฆ่าตายมันก็ไปหาศบหาศพเดินแก่นะไปเจอสามีก็กอดสามีร้องไห้ใหญ่เลยอันนี้เขาว่ารักมากๆก็อธิษฐานจิตคือให้สัญญาแลยว่า จะตามสามีไปทุกชาตินะอธิษฐานบา ร, รมตีต้องระวังนะอย่าไปสาบอกสาบาลไปโกหกเขาบอกให้ฟ้าผ่าอะไรเนี่ยผ่าแนี้นมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่กันนั่นมันเป็นโปรแก ร, รมกรรมที่ฝึกที่บันทึกไว้แล้วก็เกิดมาใหม่ในอีกชาติหนึ่งเป็นหมูเป็นหมูเจ้าของหมูนั่นเป็นอดีตสามี เห็น ไ, ไหมตามสามีไปทุกชาติแล้วหมูก็หมูไม่สบายอีกมันมันไม่สบายเพราะมันฆ่าสัตว์มาตลอดเป็นในพานเนียเนี่ยพระพทุทธเจ้าต้องบอกให้ละเว้นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมันส่งผลเอเขามาแสดงธรรมที่นี่ดีมากแต่เอาชีวิตเขาทั้งชีวิตเนี่ยทุกทรมานกับการไปเสพจ่ายหนี้กรรมแต่ละชาติเนี่ยแรงมากนะ ก่อนมันจะตายอีกมันยังเหลือไปมองสามีนี่บออธิษฐานบา ร, รมีนะและชาติปัจจุบันเนี่ยสามีคนนี้ก็เป็นอดีตสามีแล้วก็ทำให้บรนทุกอยู่ทุกวันนี้ตอนนี้ยังอยู่นะสองคนยังอยู่แต่รู้สึกมันโดนทิ้งแล้วมั่งเนี่ยตอนตอนนั้นมันเหมือนผีไงตอนนี้เขายังอยู่ เขาไปอยู่ในบ้านนอกนะจากวันนั้นถึงวันนี้น่าจะสิบกว่าปีแล้วล่ะสิบห้าปีขึ้นไปเพราะกูจำไม่ได้ละพ้นเป็นสองช่วงแต่หมอบอกสองเดือนไปละทีนี้ครั้งสุดท้ายนี่มาอยู่สามเดือนเขาเ ล, ลึกชาติได้ยี่สิบกว่าชาติเดือนสุดท้ายเนี่ยสามสิบสามวัน นางสาวเอเนบปฏิเสธอาหารทุกชนิดปกติเป็นคนอะไรก็แซบแบกินอะไรไม่ได้เลยแต่กลางคืนมันวิ่งอยู่ตอนนั้นเป็นสาราหลังเก่านะเหมือนผอมเหมือนไม้เสียบผีเลยแต่มันวิ่งใครก็ไล่มันไม่ทันพลังจิตมันทำให้ภูมิที่มันแพ้ให้มันชนะ แล้วก็ปฏิเสธอาหารมันดีทอ็อกของมันนะพวกครูก็เลยเห็นนะแม้กระทั่งโรคมะเร็งอะไรก็ช่างเนี่ยวิธีรักษาที่ดีที่สุดคือว่าถ้าเราอดอาหารได้เนี่ยมะเร็งมันฝ่อตายมันไม่มีอาหารกิเราอยู่ได้ด้วยพลังจิต น, นะสาสิบสามวันมันไม่ได้กินอ ม, มันกินน้ำเม็ดน้อยนิดเดียวก็กินไม่เยอะแค่ระคายคอเฉยเยไม่ให้ถึงกระเพาะมันไม่ให้กระเพาะทางานเลย แต่ถ้าเราไม่มีพลังจิตเนี่ยเราจะสู้ความหิวไม่ได้สามวันก็เป็นลมเป็นแรงและมันอยู่สามสิบสามวันแล้วไม่ได้นั่งอยู่เฉยๆนะมันวิ่งอะไรพลังเยอะมากเลยแต่พอพ้นสาสิบสามวันแล้วเนี่ยเหมือนคนไม่มีแรงหมดแล้วมันถามพ่อครูว่าทำไมไม่มีแรงบอกมันจบละตอนนั้นเราก็ให้น้าเกลือแล้วก็ให้อาหารเหลวช่วงหนึ่งมันก็ฟืน้นนไหม สัญญากับสัจจะไม่เหมือนกันไปซื่อบือ้อไปยึดมัน่นถือมั่นในสัญญานั้นในทางที่ไม่ถูกต้องมันเป็นกรรมนะมันเป็นกรรมนะแต่ในขณะที่เราสัญญากับเขาเราไม่ต้องมีเจตนาที่โกหกเขาแต่เมื่อเหตุปัจจัยมันเปลี่ยนเปลี่ยนสัญญาได้ตามเหตุและปัจจัยแต่ไม่ใช่ตามใจ ถ้าใจเรามีกิเลสแล้วก็ทำตามใจตัวเองไปเบี้ยวสัญญาเขาอันนี้ก็เป็นกรรมใช่มถ้าเราไปหลงสัญญานั้นไปยึดมั่นถือมั่นก็เป็นกรรมในตัวหลงมันก็ส่งผลอีกก็พอเขาฟื้นเหมือนหายดีขึ้นพระคู่ก็จะพาไปเที่ยว น้อ้วนกับน้เกลอนั่งอยู่ข้างหลังตอนนั้นพอดีย้ายมาอยู่ที่นี่มาจากกรุงเทพบอกขอมาอยู่ที่นี่พอกูบอกลองอยู่ก่อนอย่าเพิ่งอยากอยู่ที่นี่มาอยู่ง่ายๆไม่มีเงื่อนไขแต่อยู่ยากๆอะไรที่มันง่ายที่สุดมันจะยากที่สุดไอ้กิเลสมาในใจเราล่ะมันจะหลอกเราโดยเฉพาะเราเป็นคนมีวิตกฉดิดนะไปอยู่ที่ไหน เป็นเพราะเธอพูดเสียงดังฉันนอนไม่หลับเป็นเพราะเธอด่าฉันกระจุกจิกจุกจิกจุกิ ก, ก, ก, ก, กอยู่นั่นละเป็นเพราะอย่างนั้นอย่างนี้น ะ, นะก็อ้างนวนอ้างนี่จริงๆแล้วมันไม่มีอะไรนะแต่ว่ากิเลสเราเนี่ยมันจะลบกวนเราบอกนักอ้วนนะเกีียวลองอยู่นะทำสองอย่างคือหนึ่งสองเดือนนี้ไม่ต้องใช้เงินแล้วก็ไม่ต้องทางานอะไรเลยเพราะเราเป็นนักการทำงาน เห็นไหมไม่ใช้เงินง่ายง่ายมากนะไม่ต้องไม่ต้องใช้ไม่ต้องออกไปไหนเลยไม่ต้องไปหาเงินไม่ต้องไปใช้เงินแล้วก็ไม่ต้องทำงานไงง่ายที่สุดเลยไม่ต้องทำงานเลยแต่ทำยากที่สุดเพราะเราติดงานไงการที่ไม่ทำอะไรเลยเนี่ยกิเลสมันไม่ชอบแล้วอ้วนกันนักเก็วก็ทำได้โอเค เราให้รางวัลก็พากันไปเที่ยวขงเจียมผาแต้มวันนั้นพ่อปูจจำได้นะรถสิบกว่คันญาติ่ทาไปกันตั้งแต่ตีสี่พอไปถึงผาแต้มวันนั้นแบบท้องฟ้าเปิดนะตีสี่ไปถึงนี่เตีสี่ครึ่งกับตีห้าแล้วแต่ว่าพระจันทร์ยังอยู่พระอาทิตย์ก็กำลังเริ่ม ที่เรบอกพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ขึ้นก็เดินไปถ่ายรูปกันแล้วก็ตอนนั้นท้องฟ้าเปิดเดวงดาวยังเต็มไปหมดเลยพอเสร็จแล้วพ่อคูก็มานั่งคุยกันว่าเห็นอะไรบ้างไอ้เจ้าเอาบอกว่าเห็นพระอาทิตย์ขึ้นบอกวันไหนบอกนั่นไงนั่นไงไหนไนพ่อ ก, กูไม่เคยเห็นพระอาทิตย์ขึ้นเลยเขาก็ทําหน้าเชงหงน ผ้าทิศไม่เคยขึ้นไม่เคยลงโลกมันหมุนไอ้เจ้าเอบอกว่าเวียงทิ้งหมดแล้วเหลืออย่างเดียวเท่านั้นเวียงไม่ทิ้งเขาอกหักเพราะแฟนไม่รักเขานีมันโทษว่าแฟนไม่รักก็เหมือนมันเข้าใจว่าผ้าทิศมันขึ้นผ้าทิศมันลงนั่นแหละบอกเอที่เธออกหักนี่ไม่ใช่เพราะแฟนไม่รักเธอ เพราะเธอไปหลงรักเขาเวียงทิง้งเห็นไหมเราไปโทษว่าเป็นพ่อผ้าทิ์ขึ้นมาถึงสว่างผ้าทิ์ลงมันถึงมืดผ้าทิ์ไม่เคยขึ้นไม่เคยลงมันก็อยู่ของมันอย่างนั้นน่ะแต่โลกมันหมุนเปลี่ยนที่ตัวเองที่เธออกหักเนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะว่าแฟนไม่รักเธอเป็นเพราะเธอไปหลงรักเขารักโลภโกรธหลงมันเป็นทุกข์เนี่ย ก็เป็นเพราะสัญญาเดิมเนี่ยเราอาธิษฐานจิตว่าเราจะตามเขาไปทุกชาติตามมาใช้หนี้กรรมไงเรื่องนี้มีจริงนะเรื่องนี้มีจริงทำไมพวกเราต้องมาอยู่ที่นี่วันนี้บางคนทำไมสิบปีที่แล้วไม่มาวิบากรรมนั่นมันมีหนึ่งการกระทำ ทำดีดีทำชั่วชั่วเราทาสีขาวจินตนาการว่ามันแห้งแล้วจะเป็นสีแดงสวยๆงามๆไม่ได้อันนั้นมันคิดเอาเองทาสีขาวแห้งแล้วเป็นสีขาวทาสีดำมันก็ต้องเป็นสีดำมันเป็นอย่างอื่นไม่ได้เนี่ยคือกฎแห่งกรรมนะเราทำอย่างไรเราก็เป็นอย่างนั้นคุณคือสิ่งที่คุณทำคุณคือสิ่งที่คุณทำ คุณทําอย่างไรคุณก็เป็นอย่างนั้ น, นไม่มีเทวดาที่ไหนยมบาลที่ไหนเนี่ยเป็นคนมากําหนดชีวิตเราจิตเราเนี่ยบันทึกโปรแกรมไว้เองเราดึงโปรแกรมจากคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ออกมาไปใส่เครื่องอื่นโปรแกรมมันไม่หายไปไหนอันนี้คือกรรมเกิดจากการกระทําทําดีดีทาชั่วชั่วแล้วมันมีเงื่อนไขเวลาของมัน ถ้ายังไม่ถึงเวลาทั้งกรรมดีกรรมชั่วยังไม่ส่งผลกรรมบางอย่างเนี่เกิดขึ้นฉับพลันกรรมบางอย่างเกิดขึ้นอีก5้าปีอีกสิบปีกรรมบางอย่างเกิดขึ้นไปอีกหลายชาติมันมีเงื่อนไขเวลาของมันทั้งฝ่ายบวกกับฝ่ายลบและอันสุดท้ายเนี่ยยี่สิบ้าปีพ่าครูอยู่ที่นี่เราก็สัมผัสสิ่งนี้ ทำไมพวกกูต้องมาอยู่ที่นี่อยู่เมืองนอกหยุดชีวิตขี้เกียจหาเงินแล้วก็ไปหาที่สนุกสนานเอ็นจอยไลฟ์หาความสุขได้เนี่ยบ้านที่กรุงเทพก็มีบ้านเชียงใหม่ก็มีบ้านในเมืองอุบลก็มีแล้วทำไมต้องมาอยู่ในป่านี้ถ้าไปหาเหตุผลแล้วมันจะงงมันมี เรื่องสถานที่ด้วยทําไมเราเกิดอยู่เมืองไทยเราเจอพุทธศาสนาแล้วตอนนั้นทําเราไม่มีโอกาสได้ปฏิบัติไม่รู้เรื่องเลยนะเขาบอกเรานับถือเราก็นับถือเนี่ยบางนทีปากก็นับไปมือก็ถือไปไม่รู้ว่าถืออะไรไว้อยู่ไปเรียนหนังสือเขก็สอนพุทธศาสนาไปท่องจําเพื่อให้มันสอบผ่านเฉยๆเราไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรแล้วทําไมเราต้องไปเห็นธรรมที่อเมริกามันคนละเรื่องเลยนะ ทำไมต้องระเบิดที่นูน่นเอาระเบิดที่นู่นเห็นทำแล้วเอาหยุดชีวิตแล้วก็ไปหาประเทศไหนมุมไหนในโลกที่มันสวยๆงามๆ ม, มันมีความสนุกสนานเนี่ยก็ไปหาความสุขสิแล้วทาไมต้องกลับมาอยู่ในป่านี้ถ้าไม่คุยแบบเหตุผลแบบตักกะเนี่ยมันตอบไม่ได้มันมีอย่างเดียวคือบ้า แต่เนื่องจากว่ามันบุญไงมันทำให้เราไม่ได้คิดถ้าเราไปคิดเราจะงงเลยเฮ้ยเราทำไมเราอยู่ที่นี่เราเองไม่พอไงพาครอบครัวหมดนะทั้งครอบครัวเนี่ยจากเมืองนอกถอยตอนนั้นอยู่นี่เรียกว่าบันนอกไม่ได้มันเป็นป่ามันยังไม่มีบ้านคนพวกครูนั่งเรือข้ามมา โซนหมู่บ้านนั้นเน่ยโอเคมันมีคลองกั้นอยู่ตอนนั้นไม่มีสะพานข้ามไปไม่ได้แถวนี้ยังไม่มีบ้านใครไม่ใช่แค่ว่าบ้านนอกด้วยนะมันยังไม่ใช่บ้านนอกในป่าแล้วถามว่าทําไมทําไมทําไมถ้าไปถามว่าทําไมทําไมบอกว่าไม่รู้ถ้าบอกไปแล้วก็จับภาพไม่ได้ก็ไม่เชื่ออีก ก็มีหลายปีที่แล้วมีญาติธร่ทมาจากกรุงเทพนั่งกลางวันนะตอนชั่วโมงบ่ายสองนั่นแหละนั่งเบี่ยงอยู่ดีๆเนี่ยเดินขึ้นมาตอนนี้ตรงตรงสร้างพระใหญ่ตอนนั้นไม่ใช่ไม่ใช่แบบเรียบร้อยแบบนี้นะเป็นป่าลกเดินเข้าไปไม่ถึงข้างในหรอกใกล้ๆท่านเนี่ยไม่มีใครเข้าไปถึง้าไหนเป็นป่าลกหมดเขานั่งบุ๊กเขาก็เดินเดินเดิ น, เ ด, นเดินไปอยู่นี่นนะเดินเข้าไปเลย เขากูก็เฝ้าระวังรองอยู่นะเสร็จแล้วเขาก็ไปล่งกาบไอ้ตรงในป่านั่นแล้วกลับมาก็าบอกระหว่างทางเดินไปนี่มีคนยืนเลียงลายเต็มไปหมดเลยเขาไปกาบอะไรเขาไปกาบหลุมฝังศพที่เขาเคยถูกฝังไว้ที่นี่มันไม่ได้เกิดขึ้นเลยลอยนะมีเคสหนึ่ง เป็นโยมสองคนโยมผู้หญิงมาจากฝรั่งเศสเป็นคนเอเชียน่ะเกิดที่นู่นให้ไม่เป็นไม่รู้าศาสนาหรอกพอได้ยินข่าวไม่รู้ก็ทีมเขามาเที่ยวพัทยาเขาไม่ไปเขาก็บินมาอุบลเขาก็มาที่นี่ก็ปฏิบัติปฏิบัติแล้วอีกคนหนึ่งก็คานคานคานคานไม่ใช่คานเฉยเลื้อยเลื้อยเลื้อ ย, อยมาหาอีกคนหนึ่ง อีกคนหนึ่งก็เป่าใหญ่เป่าใหญ่รูปหัวใหญ่เลยนะชั่วโมงต่อไปพ่อครูก็เอาคนหนึงนั่งในคนนึงไปนั่งอยู่ที่น่นเขาก็เลื้อยมาหาอีกอันนี้ก็เป่าเป่าอีกหลังจากนั่งไปไม่กี่วันสองคนนี้จากไหว่ไม่เป็นเนี่ยไหว้สวยมากเป็นจิตเดิมทีนี้เขาไปเห็นว่า คนหนึ่งเคยเป็นแม่งูคนหนึ่งเคยเป็นลูกงูอยู่ที่นี่มันไม่ได้เกิดขึ้นเลยลอยนะก็สมัยพุทธกาลเองผู้เจ้าเคยตัดถามว่าภาษาลิบุตรอยู่ไหนนะสาวกก็ชีว่าภาษาริบุตรอยู่ในป่านั้นพร้อมทั้งสาวกทั้งหลาย แล้วพะโมกขาลานาอยู่ไหนเนี่ยอยู่ในปา่าโนนพร้อมทั้งสาวกทั้งหลายคือมันเป็นบุญล่วงทำให้เรามีจริตแบบนี้เรื่องนี้มันไม่ใช่เหตุผลแบบตักกะในชาติเดียวเหมือนชาตินี้เราเกิดมาเราเจอในขอนี่อยู่ๆก็หมั่นไส้มันเขาไม่เคยทำอะไรเลยหมั่นไส้มันมากไอั น, นี้นไปถูกชะตาใช่ไหม เจอในคอนี่ยโอ้ยถูกชะตามากเลยวิทยาศาสตร์ตอบซี่ว่าทำไมมันไม่มีเหตุผลมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยตามธรรมชาติเหตุปัจจัยตามธรรมชาตินี่ใครเป็นคนกำหนดว่าต้องเป็นแบบนี้ต้องเป็นแบบนี้กรรมการกระทำที่เราทำอย่างไรมันก็บันทึกอยู่ในจิตเรา กรรมเป็นตัวกำหนดทำไมเกิดมาอยู่ในร่างสตรีทำไมเกิดอยู่ในร่างบุรุษทำไมเกิดมาไอคิวสูงไอคิวต่ำพระเจ้าที่ไหนกำหนดบางคนบอกพระเจ้ากำหนดทำไมพระเจ้าเลือกที่รักมักที่ชังให้คนนี้เกิดมาสมบูรณ์คนนี้ไม่สมบูรณ์ตอบต่อไม่ได้ยงไ บางทีเราไปนั่งนิ่งๆนั่นแหละเราเป็นนักคิดนักเหตุผลก็อยากคิดก็คิดเรื่องพวกนี้ดูสิหาคาตอบหน่อยนักวิทยศาศาสตร์มาที่นี่มาทะเลาะ ก, กับพ่อครูหลายครั้งเขาชัดเขาทะเลาะแต่พ่อครูไม่ทะเลาะด้วยเพราะว่าเขาเขากลัวมากเขากลัวว่าเขาจะหลงทางกลัวเพื่อนเขานี่จะมาหลงที่นี่อะไรนะไม่เปิดจิตไม่อะไรเลยนะคือคือคือเขาเขารู้เขารู้ในสิ่งที่เขารู้ แต่บางอย่างเขาไม่เคยรู้เลยเขากลัวมากที่จะรู้เพราะเขากลัวมากที่เขาจะเป็นรองคนอื่นทิติมานะกลายกลายเป็นอัตตานะเพราะครูหลายปีนี้โดนตรวจสอบนะผู้รู้ทั้งหลายนะผู้หวังดีกับศาสนาทั้งหลายกลัวเราจะสอนผิดบ้างอะไรบ้างเนี่ยมาแลกเปลี่ยนกับพระครูเยอะแยะเนี่ยโดยเฉพาะนักวิทยาศาสตร์เนี่ย เขาคูมีเพื่อนรุ่นพี่เคยสมัครสสด้วยกันนะอย่าไปเอ่ยชื่อเขาเขาตายแล้วเพราะพวกคูเตือนเขาแล้วเขาไม่ฟังบอกถ้าเขาไม่หยุดชีวิตนะเป็นเศรษฐีร้อยล้านพันล้านแล้วเนี่ยเมียก็เป็นด็อกเตอร์ลูกชายแค่คนเดียวด็อกเตอร์ทาธุรกิจเนี่ยกินไปร้อยชาติก็ไม่หมดความไม่พอไงพวกคูบอกท่านไม่หยุดนะถ้าไม่พอไม่มีวันสำเร็จ สำเร็จไปว่าเสร็จแล้วเดี๋ยวมันตายก่อนสำเร็จเดี๋ยวตอนนี้เขาตายแล้วแล้วเขาไม่ได้สำเร็จเขาพูดแรงมากว่าเพราะเขาเป็นห่วงพ่อครูนั่นแหละเขากลัวพ่อครูหลงไงเขาอาจจะก็ทุ้งให้พ่อครูตื่นเหมือนกันเขาบอกผู้ริเจ้าก็มีกิเลสนั่นแหละผมว่าทำไมมีกิเลสอยากไปนิพพานก็ทิ้งลูกทิ้งเมีย ด็อกเตอร์นะพูดนะก็ใคร้มีเหตุผลไงผู้เจ้าคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้ห่างไกลจากกิเลสนะกิเลสมันมีอยู่แต่ท่านไม่ท่านห่างไกลจากมัน่ะกิเลสมันก็อยู่ส่วนกิเลสนี่ยถ้าถ้ายังติดกิเลสอยู่ท่านเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้ไงแต่เจ้าชายสิทธัตถายังมีกิเลสอยู่แต่เป็นกิเลสในทางที่ดีพระองค์เห็นว่า ขืนอยู่อย่างนี้ต่อไปคนที่พระ อ, องค์รักก็ไม่พ้นทุกข์พระองค์ก็เสียเวลามาหลายชาติแล้วก็ไม่พ้นทุกข์แล้วจะอยู่กันทำไมพระ อ, องค์จึงเสียสละที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชทิ้งนะพระ อ, องค์วางลูกเมียครอบครัวสเสด็จพ่อสเสด็จแม่แบบว่าวางมหาประสาทราชมนเทีนของพระ อ, องค์ความสะดวกสบายความสุขต่างๆเนี่ยออกไปแสวงหาโมกขธรรม มีเสื้อผ้าชุดเดียวไปเจอขอทานเขาขอเสื้อผ้าก็ถอดให้เขาเลยเอาเสื้อขอทานมาเปลี่ยนกันแล้วใช้เวลาหกพรรษาลองถูกรองผิดทรมานสังขารเอาทุกอย่างก็ไม่บรรลุธรรมแต่ไม่ใช่ไม่มีประโยชน์ถ้าไม่มีวันนั้นก็ไม่มีวันนี้ ประสบการณ์ที่ทดลองทุกอย่างทุกอย่างเนี่ยมันก็เกิดปัญญาว่าคนเราทำอะไรที่มันไม่พอดีสุดตรงที่เราสุดตรงเราขี้เกียจมากเกินไปขยันมากเกินไปเนื่องจากเรามีความอยากอยากสบายก็ขี้เกียจบางคนอยากสบายก็ขยันเกินไปนะคิดว่าได้มากๆแล้วฉันก็จะสบายนะไปอดทนทำงานเพื่อความสุข อันนี้ก็สุดโต่ที่พระครูเน้นเรื่อยๆว่าอย่าอดทนทำงานเพื่อความสุขจงทำตนให้มีสุขเมื่อได้ทำงานเราต้องแอนจอยมีความสุขกับสิ่งที่เราได้ทำมันไม่อยู่ที่ผลผลที่ได้นั้นมันเป็นแค่ผลพลอยได้หน้าที่ที่เราทำเวลานั้นเราต้องสุขทุกวันนี่คือทางสายกลาง ผู้เจ้าก็ไปเจอทางสายกางเนี่ยเขาก็ยกตัวอย่างว่าไอพ้พินเดียที่มนุษย์เล่นพินเนี่ยถ้าสายมันตึงเกินไปเนี่ยเสียงมันก็ไม่เพราะถ้าสายมันยานเกินไปเนี่ยมันก็ไม่เพราะมันต้องพอดีแค่นี้พระองค์มันรู้ทำนั่งทรมานสังขารอยู่ดีๆนะมีปัญจวัคคีห้ารูปถวายฤศีนะ่ะ ถวายอุปถากดูแลหาว่าเจ้าชายชยุทาเนี่ยตบัดสัตว์ไม่มีสัจจะไม่มีความมุ่งมั่นพระองค์ออกมาไปอาบน้ำอาบท่านะไปฉันอาหารเพราะอดอาหารมาหลายวันจนผอมสูงก็ไม่บรรลุธรรมเห็นไหมห้าองค์นั้นก็หนีจากไปเลยถือว่าเจ้าชายยุทธา ไม่มีสัจจะก็ที่ท่านตั้งมั่นสัจจะเนี่ยท่านทำแล้วท่านก็เห็นทำไงว่าก็้อ้สัจจะที่ท่านตั้งมั่นทำแล้วท่านก็เห็นแล้วว่าเมื่อมันไปไม่ได้เราจะไปยึดสัญญานั้นแล้วก็ทำอะไรโง่งๆเหรอท่านก็ตายเปล่าศาสนาพุทธก็ไม่มีในวันนี้เราต้องเข้าใจนะคาว่าสัญญากับสัจจะเนี่ยมันคนละเรื่องใช่ไหม แต่ถ้าท่านไม่ทําตามสัญญาตอนนั้นแหะท่านก็ไม่ได้แตกฉานนะเนื่องจากท่านตั้งมั่นยึดในสัญญาอย่างจริงจังเมื่อท่านเกิดปัญญาแล้วว่าโอ้มันไม่ใช่ทางสายกลางมันไม่ใช่ทางผทุกท่านก็ข้ามพ้นสัญญาตรง น, นั้นแล้วต้องดูอีกนะเมื่อข้ามพ้นแล้วท่านนี้ถอยหลังกลับไปราชวังไหมก็ไม่ไงท่านสัจจะตั้งมั่นว่าท่านต้องบรรลุทําให้ได้ ท่านเพียงแค่เปลี่ยนเทคนิคเฉยๆเห็นไหมอันนี้สง์ที่ท่านยอมจ่ายนี่กรรมตอนนั้นล่ะ ก, ก็ทําให้ข้ามพ้นและไอ้ฝ่ายบา ร, รมีฝ่ายปัญญามันเกิดไงรู้ว่าให้มันไม่ใช่ทางคนทุกข์ท่านก็เปลี่ยนแค่วิ ธ, ธีการท่านก็มุ่งมั่นสุดท้ายพระองค์ก็ตัดสรู้ทำเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงบอกว่าอย่ายึดมั่นถือมั่น อย่าซื้อบือ้อนะก่อนจะศรัทธาเนี่ยต้องใช้สติปัญญานะคิดวิเคราะห์ดีๆแล้วค่อยศรัทธาศรัทธาแล้วก็ตั้งมั่นอย่าลังเลถ้าลังเลเหมือนชักกระยอเยะอเอ๊ะโดยเฉพาะไอ้แนวที่เราปฏิบัติเนี่ยมันแหวกแนวในสังคมไทยเนี่ยมันมันยากที่จะเข้าใจ ถ้าเราไม่ตั้งมั่นนะผู้หวังดีเขากลัวว่าเราจะหลงทางเนี่ยเขาจะเตือนสติเรานะไม่ใช่เขากลัวเราพ้นทุกข์นะเขากลัวเราจะหลงทางนะเขาก็หวังดีเขาก็เขาก็เตือนนะเราก็อย่าไปว่าเขานะเราก็ขอบคุณโมทนาที่เขาเตือนเราเองต้องรู้ว่าเราทําอะไรอยู่ บางคนบอกระวังนะวิธีพ่อครูอย่างนั้นอย่างนี้พวกเราอย่างน้นอยก็ามาบางคนมาหลายวันปฏิบัติมาครั้งแล้วหลายหลายหลายรอบแล้วถามว่าวิธีพ่อครูเป็นแบบไหนบอกพ่อครูหน่อยใครบอกได้ยกมือขึ้นวิธีพ่อครูคือไม่มีวิธีทุกคนทําเองหมดนะ ไม่เคยใช้อุบายต้องมารับขั น, ร, น, นรับนุ่นรับนี่ต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้ไม่ทุกคนทำเองเห็นไหมแนวทางของศูนย์เนี่ยคือไม่มีแนวทางไอ้ที่ไม่มีแนวทางคือแนวทางของเราถ้าทุกคนถูกบังคับเลยต้องหนึ่งสองสามสี่ห้าเป็นหุนยนต์แบบนี้หมดนั่นแหละคือมี ม, มีมีบล็อกเป็นแนวทางชัดเจน ที่นี่ไม่มีเราอยู่กันแบบการยาเรมิตรอยู่อย่างพี่อย่างน้องมีอะไรก็คุยกันปรึกษากันแต่ถ้าเราตั้งกติกาตายตัวเลยเนี่ยมันจะมีคนทําถูกแล้วมีคนจับผิดเมื่อมีวิธีแล้วมันจะมีคนทําถูกวิธีแล้วก็ทําผิดวิธีอันนี้มันไม่มีงไงมันจะมีถูกมีผิดได้ยังไงถ้าเราผิด ถ้าเราผิดพลาดเบี่ยงไปเบี่ยงไปเบี่ย ง, งไปวิ่งไปชนเสาใครต้องรับผิดชอบตรงนั้นไม่ใช่วิธีมันทำให้เราผิดนะถ้ามันผิดมันผิดมาตั้งแต่หลายชาติแล้วมันเป็นกรรมที่คุณต้องไปรับบางคนนั่งเบียงหมุนกำลังสบายดีดอันนั้นเบียงมาเตะก้านคอเลยอย่างนี้นะถามว่าพวกอครูสอนให้ทำอย่างนั้นเหรอ สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมมันไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆนะเอาล่ะถ้าเราไม่มานั่งรับฝ่าบาทเขาเนี่ยนะข้างนอกเราต้องโดนชีวิตเราต้องโดนแน่ๆเห็นไหมที่พระครูยกตัวอย่างเรื่อยๆว่าสตรีท่านหนึ่งขับรถไปเนี่ยยางระเบิดชายชะกันห้าคนขับรถมาแก้ปัญหาให้แล้วที่เก่านั่นแหละเวลาเก่าจะควรละวัน อีกวันหนึ่งคนหนึ่งขับรถมาสตีเหมือนกันยางระเบิดในที่เก่าชายจักรันห้าคนขับรถมามันฆ่าข่มขืนอ่ะเอาถามว่าทำไมคนนี้รอดทำไมคนนี้ตายะพระเจ้ากำหนดเหรอเอาพระเจ้าทำไมเลือกที่รักมากที่ช่งให้คนนี้มันรอดให้คนนี้มันตายมันไม่ใช่พระเจ้าที่ไหนกำหนดกรรมกรรมดีที่เราสร้างไว้กับเขา อย่างสองวันนี้พระครูได้ยินพระแขเออว่าเอาเอญาติธรรมก็มีใจบุญสุนทานใจบุญก็มาเลี้ยงเด็กที่นี่พระครูอนุโมทนาบุญด้วยเห็นไหมเด็กที่นี่ชื่อมันชื่ออะไรเราก็ไม่รู้แล้วบางทีมันก็ไม่รู้เลยใครว่าใครไปเลี้ยงมันสมองไม่รู้นะแต่จิตมันรูนะ้บางทีตู้บริจาคในนู่นเนี่ยเขาใส่นะเด็กมันไม่รู้หรอกสมองมันไม่รู้แต่จิตมันยาณมันรู้ จิตวิญญาณมันรู้มันลิงกันไม่ใช่พระเจ้าที่ไหนมากำหนดกรรมเป็นตัวกำหนดเนี่ยที่วิชาที่สองที่พระเจ้าตัดสู้เนี่ยคือจตุปาตยานยานรู้ว่าได้การเกิดเพราะกรรมตายเพราะกรรมยมบาลมีหน้าที่คนรักษากดกะกฎแห่งกรรมยมบาลไม่มีหน้าที่ไปชี้ถูกชี้ผิดใคร กรรมเป็นตัวกำหนดนี่คือวิชาที่สองนะส่วนวิชาแรกที่ผู้เจ้าตัดสรุปคือบุพเพนิวาสานุสติยานยานรู้ว่าด้วยการระลึกชาติพระองค์ระลึกชาติไปยาวมากนะสมัยเป็นพระเวสสัมดรเป็นอะไรอะไร ๆ, ๆ, ๆเนี่ยไอ้ตัวนั้นได้อะไรบางคนสอนทุกวันนี้เนี่ยแค่ชาตินี้ก็ทุกข์มากเลยไปยุ่งกับอดีตชาติทําไมไม่ได้ไปยุ่งไปเรียนรู้ ไปขัดเกา่าไปจ่ายหนี้ไม่ใช่ไปหลงอดีตคำว่าอยู่ปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันไม่ใช่เพราะกูนั่งอยู่ตรงนี้รู้ตัวทั่วพร้อมว่าคนที่ชื่อบัญชานั่งอยู่ตรงนี้หายใจเข้าออกก็รู้ไม่ใช่ปัจจุบันแค่นี้นะปัจจุบันค่าแค่นี้แล้วเนี่ยเรารู้สมมุติเราไม่รู้ความจริงก็ไอสิ่งที่มันนั่งอยู่ตรงนี้เนี่ย ม, มันประกอบด้วยดินน้าลมไฟ กับวิญญาณธาตุไอชื่อบัญชาเป็นชื่อสมมุติที่เขาสมมุติให้เราชื่อว่าบัญชาเราแค่รู้แค่สมมุติวิปัสสนาต้องรู้แจ้งเห็นจริงความจริงมีอย่างเดียวเท่านั้นในตัวเราคือจิตไอ้ร่างกายนี้เอาไปเผามันก็กลายเป็นอากาศธาตุที่เหลือก็เป็นธาตุดิศเอาคนที่ชื่อบัญชามันหายไปไหนแต่ไอ้จิตวิญญาณ น, นั่นเผาไม่ได้ เป็นความจริงอย่างเดียวดีกี่พันองศาก็เผาไม่ได้ถ้าเผาได้เราก็จบสบายๆไม่ต้องเกิดอีกธรรมชาติบอกอย่าค้ากําไรเกินควรอย่างนี้นี่ไม่มีทางนั่นคือความจริงเลยเมื่อวิปัสสนารู้แจ้งเห็นจริงเนี่ยเมื่อเราไม่เข้าไปเรียนรู้กับความจริงเราเรารู้อย่างข้างนอกข้างหน้าเนี่ยเราจะรู้ความจริงได้ยังไงเราแค่ไปอยู่กับสมมุติแต่ร่างกายเป็นสมมุติซึ่งเป็นเครื่องมือที่สําคัญ ผู้เจ้าถึงบอกว่าเราต้องมีกายก่อนเทวดาไม่มีกายนะเทวดาเนี่ยจเจริญวิปัสนาแบบเราไม่ได้จเจริญมหาสติแบบเราไม่ได้จเจริญสติปฐานสี่ไม่ได้เพราะไม่มีฐานกายเทวดาทุกมากที่ต้องเสพสุทุกวันนี้เราถูกสอนว่าทำบุญเยอะทำบุญยุ่งเยอะจะได้เป็นเทวดาจะได้ขึ้นสวรรค์เพราะครูเตือนนะไม่จำเป็นอย่าไปมันเสียเวลาเทวดาทุกมากที่ต้องเสพสุ บางคนก็นั่งงงเอ๊ะสุขแล้วมันทุกข์ได้ยังไงใช่ไหมมันเป็นของคู่ไม่มีอะไรหรอกที่สุขร้อยเปอร์เซนทุกข์ร้ยเอร์ซนมันมีอย่างเดียวที่สุขอย่างนี้คือนิพพานไม่ใช่เทวดาทำไมเทวดาทุกข์เห็นไหมคิดอยากกินอะไรมันก็ลอยมาคิดอยากได้อะไรก็ได้มาที่นี้มันได้ทุกวันมันไม่เบื่อเหรอเาเราชอบทุเรียนใช่ไหมกินทุเรียนเนี่ยถามว่าสุขไม่สุขสิฉันชอบ บางคนทำไมเหม็นทุเรียนล่ะเอามาทำไมเหม็นจังเลยอันนี้ทุกข์มากเลยทีนี้ไอชอบทุเรียนเน่ล่ะสุกทุกวันเน่เดี๋ยวให้กินทุเรียนเป็นปีเลยนะไม่ต้องกินอย่างอื่นถามว่ามันสุกไหมความสุขนั้นกลายเป็นความทุกข์ทันทีสวรรค์สมบัติมนุษย์สมบัตินรกสมบัติสามโลกกระธาตุนี้ยังอยู่ในวัฏฏะสงสารมันไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ ผู้เจ้าชี้ทางพ้นทุกข์ให้เราคืออริยะสมบัติพระอริยะเจ้าขั้นต่ำสุดคือโสดาปติมัติจิตเห็นจิตคือมัตต์ผลของจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งคือนิโรธก็คือนิพพานแต่เราขั้นต่ำพุทธเราก็ไปแค่ไปเห็นจิตแล้วก็ไปกระแสมากแล้วอันนี้ขั้นต่ำสุดเรียกว่าโสดาปติมัติ S <S เมื่อเราเรียนปริญาตีนะช่วงที่เราเรียนอยู่เราเป็นนิสิตปริญาตีเราเรียกว่าเราเป็นนักศึกษาเมื่อเราจบปริญาตีแล้วเนี่ยเราก็ได้เป็นโสดาปฏิผลนะโสดาแปโสดาปฏิผลไม่พอใจเรียนปริญาโทต่อช่วงเรียนปริญาโทอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าสกิทาคามีมัคทางเดินของพรสกิทาคามีนะคือเรากําลังเรียนปริญญาโทอยู่เขาเรียกว่าสกิทาคามีมัค เมื่อเราเรียนจบปริญญาโทแล้วเนี่ยมันคือผลแล้วคือสกิทาคามีผลอันนี้คู่ที่สองไม่พอใจเรียนปริญญาเอกอีกช่วงที่กําลังเรียนปริญญาเอกเนี่ยนะเราสมมุติว่ามันเปรียบเสมือนว่าอนาคามีมัคทางเดินของพระอนาคามีเมื่อเราจบด็อกเตอร์เป็นได้ปริญญาเอกแล้วเนี่ยมันก็เกิดผลละเรากลายเป็นด็อกเตอร์แล้วอันนี้เรียกว่าอนาคามีผลเป็นคู่ที่สาม ยุคนี้ไม่พอด็อกเตอร์ไม่พอเธอยังทุกข์ไม่พอเธอต้องทําเป็นาศาสดาจารย์แล้วก็วิจัยขึ้นลองาศาสดาจารย์ขึ้นผู้ช่วยาศาสตาจารย์ขึ้นเป็นวันไหนเราได้าศาสตาจารย์ช่วงที่เรากําลังวิจัยทําเป็นาศาสดาจารย์อยู่นี่นะเขาเรียกว่าอาลหัตตะมักทางเดินของพระอาาหันเมื่อเราบรรลุธรรมขั้นสุดแล้วเนี่ยเราได้เป็นาศาสดาจารย์แล้วเนี่ย เปรียบเทียบเสมือนว่าเราเป็นารหัตผลนี่คู่ที่สี่ที่เราสวดมนต์กันทุกคืนเนี่ยสี่คู่แปดบุรุษเป็นสมควรแก่สั์การะและบูชานี่คือพระอริยสงฆ์ไม่มีนรกอีกแล้วที่บอกว่าสูงสุดอีก7ชาติแต่ตอนพุทธกาลแล้วเนี่ยหลายๆดวงจิตเนี่ยบรรลุธรรมได้เป็นโสดาบันติผลแล้วเนี่ย แม้กระทั่งนางวิสาขามีลูกเป็นโหลและสุดท้ายก็บรรลุทำขั้นสูงสุดได้ในชาติเดียวเจ้าชายสุดทนุนนะพระบิดาของเจ้าชายจิธัตถะก็เช่นเดียวกันฟังธรรม ท, ทีแรกบรรลุโสดาบันแต่ก่อนจะสิ้นพระชนนะพระพุทธเจ้าไปโปรดอีกทีหนึ่งนะไปปวดบวงให้บรรลุ ขั้นสุดท้ายอย่าไปรอยอางเลยเจ็ดชาติมันนานไปเอามันชาตินี้แหละเรารู้เราจะรู้หรอบางคนตอนนี้ไปสอนทําบุญนะโอ้ทุกวันนี้อยปฏิบัติธรรมมันยากทาบุญเยอะๆสะสมบุญไว้อย่างเดียวเนี่ยจะไปเกิดยุคภาษีอ่านง่ายมากเพราะครูว่าเกิดแน่ๆอาจจะเกิดเป็นลิงเพชรเมร็ดงามที่นี่ไม่เอานะผัดวันประกันพุ่งะ ไหว้พระพุทธเจ้าจะไม่เอาจะไปรอพภาษีอ่านเนี่ยนี่คือกิเลสมันสอนให้พูดอย่างนั้นตอนนี้ไปกันใหญ่แล้วนะเห็นไหมเพชรเม็ดงามอยู่ต่อหน้าไม่เอาไงเพราะมันขี้เกียจไงกิเลสมันหลอกไงโดยเฉพาะแนวเราระวังนะที่มันไม่มีแนวเนี่ยถามว่ากิเลสมันพอใจเหรอมันเกลียดชังมากเราไปเหวี่ยงมันทิ้งเรื่องอะไรมันจะยอม เดีไม่ยอมหรอกอถ้าเราไม่ยอมเราเรายอมมันง่ายๆเหรอเราก็เป็นท่าของมันอีกหลายๆชาตินะพระเจ้าจึงให้เครื่องมือเรามาเริ่มจากต้องศรัทธาก่อนศรัทธาศรัทธ า, าตั้งมัน่นมีความพึงพอใจกับสิ่งที่เราทําเมื่อเราศรัทธาพุทธเราจะมีวิริยะเราจะมีความขยันถ้าทําแบบสังกตายถูกบังคับให้ทําทําไปอย่างนั้นแหละ ความวิทยามันก็ไม่เกิดขึ้นเห็นไหมแต่ถ้าเรามีความศรัทธามีความพึงพอใจแล้วเนี่ยความมุ่งมั่นความขยันมันก็เกิดขึ้นเพราะเราศรัทธาถึงจะล้มลงไปก็ลุกขึ้นมาใหม่เดินอีกแต่ถ้าเราทําไปแล้วเฮ้ยอยู่ดีๆไม่ชอบมาเหนื่อยทําไมวิทยามันก็ไม่เกิดขึ้นเห็นไหมเมื่อเราศรัทธาเราก็มีอยู่ได้ทำงานอะไรก็ช่างนะถ้าอยากให้งานสําเร็จแล้วเนี่ยต้องยึดหลักอิทธิบาทสี่เริ่มจาก เราต้องมีฉันทะก็มีศรัทธามีความพึงพอใจกับงานที่เราทำนะมันก็จะมีวิริยะมันก็จะขยันไงทําไม่เหนื่อยหรอกเพราะว่ามันมันมีความพึงพอใจเมื่อตั้งมั่นมีวิริยะแล้วก็ไอ้ความตั้งมั่นก็เกิดขึ้นคือจิตตาเราก็ตั้งมั่นจดจ่อกับสิ่งที่เราทำเพราะว่าเรามีศรัทธาเรามีความพึงพอใจเห็นไหมเมื่อเราตั้งมั่นแล้วเนี่ยสมมว่าเด็กอยู่ในห้องเรียนเนี่ย มันฟังครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งมันไปคิดมันก็ฟังถูกวางผิดแต่ถ้าเรานั่งฟังร้อยเอร์เซ็นเลยๆเนี่ยเหมือนมันก่อนพ่อครูบอกเขาลิงลิงอะไรนะลิงตัวใหญ่ๆไม่ใช่ลิงกอริลลาลิงลิงอะไรเออเขาสอนลิงอะนะมันเก่งกว่ามนุษย์เขาเปิดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชั่ววันหนึ่งถึงสิบนี่เขาซีซัววางแบบนี้ปุ๊บมานั่งมองปุ๊บเขาเปิดปุ๊บเขาก็ปิด เขาเปิดอีกแต่ไอตัวเลขนี่ถูกบล็อกไว้ด้วยสีขาวขาวเขาให้มันกดนะมันกดถูกหมดเลยเห็นไมเพราะมันนิ่งมันไม่ได้กลัวผิดมันไม่กลัวทำทาผิดมันมองตรงๆมันมีสมาธิขอให้เรามีความรักมีความพึงพอใจกับสิ่งที่เราทำ มันก็ทําธรรมชาติเมื่อพอใจเราก็มีความขยันไงเมื่อขยันเรามีความสุขกับมันเนี่ยเราก็จิตตะจิตตั้งมั่นไม่วอกแวกมีความสุขกับมันเมื่อเราตั้งมั่นแล้วนี่มันมีสติแล้วนี่ปัญญามันก็เกิดยิ่งทํายิ่งมีประสบการณ์วิมังสาเกิดขึ้นสี่ข้อเท่านั้นเองผู้เจ้าสอนเทคนิคในการทํางานนะโดยเขาเรียกว่าหลักอิทธิบาทสี่มีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสา อันนี้เรื่องส่วนตัวนะส่วนเ ร, เราทำงานร่วมกับคนอื่นเราเป็นเจ้านายก็ดีหรือเป็นลูกจ้างก็ดีหรือเป็นเพื่อนร่วมงานก็ดีเนี่ยการอยู่ร่วมกับคนอื่นผู้เจ้าก็ให้เครื่องมือมาสี่อย่างก็คือพรมิหารสี่เราต้องมีเมตตามีกรุณามีมุทิตามีอุเบกขาหลายคนไม่เข้าใจเพราะไม่เคยศึกษาภาษาตรงนี้แต่เอาละ รู้ก็ได้ไม่รู้ก็เป็นไรพราิะว่ารเรารู้แล้วมันก็เป็นแนวทางของชีวิตเหมือนหลายวันก่อนญาติที่ทมาจากออสเตรเลียถามพ่อครูตรงๆเลยว่ามักคืออะไรเห็นไหมพ่อสอนมากเราได้ยินมกักมากมักผลไม่เคยได้ยินดีตรงตร ง, ตรงเนี่ยดีแล้วไม่ต้องรู้อะไรเยอะนะพ่อครูบอกมักมีกมองแปดก็ถามว่าเออไอแปดนั่นมันคืออะไรเนี่ยคนรุ่นใหมก่ก็ตรงมากก็ถามแต่ไม่ต้องไปจํามัน มันเป็นไกด์ไลน์มันเป็นเหมือนเราเรามีแผนที่นะเราเราดูแผนที่ปุ๊บไม่ใช่รู้เฉยๆนะเราต้องเดินตามแผนที่เดินไปเดินไปเดินไปแล้วสักวันหนึ่งมันก็ถึงเองส่วนมันถึงชา้าถึงเร็วเนี่ยไม่เกี่ยงเวลาแต่ถ้าเราเกี่ยงเวลาแล้ว เ, เมื่ อ, อไหร่ไม่ได้มันจะเกิดลังเลสงสัยอีก ก็ความอยากอีกแ่ะทำให้เราสับสนแสดงว่าเราไม่มีฉันทะเราไม่มีความพึงพอใจกับสิ่งที่เราทำเต็มร้อยมันก็เกิดนิวรตัวลังเลสงสยัยตัวนี้ก็ดึงชักกระเยาะ ก, ะ, กะก้าวกลัวๆมันไม่มีพลังเห็นไมเหมือนเราเป่าลูกพวงป่ลูกโปเปะาลูกโปงเอ๊ะแฝบละ่ะมานั่งเป่าใหม่อีกเอ๊ะเมื่อไหร่ก็แฟบอีกนี่ละ เหมือนเป่าสร้างบา ร, รมีมาเผอปุ๊บกิเลสมันแรงกว่าปุ๊บเหมือนไปสร้างกรรมใหม่ปุ๊บก็เหมือนเอาเข็มนี่เสียบลูกโป่งแตกป่องก็มานั่งเป่าใหม่ผู้เจ้าถึงให้นอกจากบอกเครื่องมือเหล่านี้แล้วว่าทำกับงานเนี่ยสี่ข้อนะมีความพึงพอใจมีความขยันหมั่นเพียรมีความตั้งมั่นไม่วอกแวก แล้วก็คําว่ามิมังสามันเกิดขึ้นมาเองคล้ายๆว่าเมื่อเราอยู่กับมันแล้วเนี่ยเราจะเกิดประสบการณ์เมื่อเรารักมันแล้วถึงจะเลิกงานปุ๊บจิตมันก็สรุปผลว่าวันนี้ทำทำทำได้แค่ไหนมีวิธีทำดีกว่านั้นไหมใช่ไมไม่ใช่เราเป็นคนโลภมากนะมันเป็นสัญชาตญาณที่เรารักงานเนี่ยเราจะแตกฉานกับมันเราจะรู้ที่มาที่ไปของมันแล้วต่อไปเราจะพลาดพังน้อย แต่ถ้าเรามัวหล่นหล่นหล่ความอยากได้ของเราเนี่ยไม่มีเวลาไปคิดวิเคราะห์อะไรเนี่ยทำตามอารมณ์อยากนั่นล้มทุกงานที่เราอยู่ร่วมกันหลายหลายคนเนี่ยต่างคนต่างเขาเรียกว่านาณาจิตต่างนะพ่อคูเคยยกตัวอย่างแล้วทุกคนเคยได้ยินนะตอนนี้มีดรคนหนึ่งบอกโอ้ชัดเจนเลยน้ําแก้วหนึ่งเอาทรายลงไปก็อยู่ข้างล่างเอาน้ํามันลงไปก็ลอยอยู่ข้างบนเอาเกลือลงไปก็อยู่ตรงกลาง มันก็อยู่ของมันอย่างนี้นี่คือทั้งหมดนีนเป็นหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวคือทั้งหมดอยู่ในแก้วใบเดียวกันแต่ทั้งหมดไม่ต้องเหมือนกันแต่ตอนนี้ไอท้ทฤษฎีรัฐธิไหนก็ช่างลัทธิทุนนิยมเสรีนิยมคอมมิวนสิสต์เผด็จการอะไรก็ช่างมันต้องการให้ทุกคนคิดเหมือนกันมันก็คนใหญ่เลยคนเปหมดตอนนี้เนี่ยไม่ใช่ทั้งบ้านทั้งเมืองนะทั้งโลกคุณไม่หมดเลยเพราะมันไม่รู้ความจริงมามันไม่เหมือนกัน ไอ้ทฤษฎีต้องการให้ทุกคนเท่าเทียมกันเหมือนกันอยังไงคุณไม่หมดเลยอย่าว่าแต่คุณทั้งจั ก, กรวาลทั้งโลกนะทั้งประเทศนะในครอบครัวเองตอนนี้ยังขุนเราลักษสีไม่เหมือนกันเถียงกันอยู่ตรงนั้นแหละศาสนาพุทธไม่ได้สอนให้เราเหมือนกันหรือเท่าเทียมกันศาสนาพุทธสอนให้เรายอมรับในความแตกต่างคนที่เหนือกว่าเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คนที่ด้อยกว่า ถ้าใครทำตรงนี้ได้เนี่ยไม่ทุกข์ไม่ทุกข์นะวะทำไมต้องเอื้อเฟือเอ้อลล่อฉันยังไม่พอเลยถ้าเธอเอื้อเฟื้อแล้วเธอจะพอที่เธอไม่พอเพราะความอยากเธอยังเยอะอยู่แล้วเธอต้องทาจนตายสู้ตายไงไการให้เนี่ยเป็นการขัดเกลื่อความโลภความตณีความอยากของเราเมื่อความอยากมันอ่อนลงการกระเสือกกระสนมันก็อ่อนลง การหาเรื่องทรมานตัวเองการเป็นเบ็ยดเบียนคนอื่นมันก็ห่อนลงมันกลับกันกับทางโลกที่เขาสอนเรานะยิ่งได้มายิ่งเยอะยิ่งมั่นคงเราไปถูกสอนว่าเจริญเติบโตพวกครูก็วิ่งไปตามมันสี่สิบปีนะมันเจริญมันเจริญก็เติบโตขึ้นเรื่อยเืแต่มันไม่ได้เห็นความสุขเลยมันไม่เคยมั่นคงเลยเจริญไปว่ามีมากขึ้น เติบโตไปไว่ายิ่งใหญ่ขึ้นไม่รู้สึกมั่นคงเลยไม่ฟิลสักเคียวเลยสมัยก่อนกล้าไม่มาอยู่ในป่าคนนี้เดินไปไหนไปคนเดียวได้ไม่กลัวมันจับเรียกฆ่าไทยไม่รู้สึกมั่นคงเลยแต่ยี่หปีอยู่ที่นี่สิบเอ็ดปีไม่มีไฟฟ้าศูนย์นี่ไม่มีรั้วรอบขอบชิดใครจะเข้าออกก็ได้มั่นคงทุกเวลาเราถูกหลอกไงต้องเจริญก่อนคนมั่นมั่นคง เติบโตพวกครูเคยอยู่กรุงเทพนะสมัยหนุ่มๆ น, นะอยู่ศรีพญานะี่ยตอนนั้นยังมีรถรางอยู่นะทองอะไรเต็มไปหมดเลยก็ยังอากาศยังดีไงตอนนี้เจริญไงเจริญไปว่าอะไรคือตึกบ้านขึ้นรถมากขึ้นควันพิษมากขึ้นความวุ่นวายมากขึ้นนั่นคือเจริญเจริญแบบนี้เอาไหมสมัยก่อนจากศรีพญาเนี่ยไปสวนเอไปสนามหลวงนะ แค่สิบกวนาทีก็ถึงแล้วไงตอนนี้บางทีสองชั่วโมงก็ยังไม่ถึงเลยจเจริญแบบนี้เอาไหมมนุษย์เราจเจริญจริงเหรอคนล้นคุกคนล้นโรงพักคนล้นโรงพยาบาลถ้าเป็นยุคสี่วิลายจริงๆมนุษย์เก่งจริงๆเนี่ยต้องไม่มีคนติดคุกต้องไม่มีคนเป็นไข้นั่นคือยุคสี่วิลายตอนนี้เนี่ยตั้งแต่มีประวัติศาสตร์โลกมาเป็นยุคที่ตกต่ำที่สุดของมวลมนุษยชาติ เพราะเรามีนักปิาศาสตร์เยอะมากเรียนรู้เอาวิชาการเก่งๆมาทำลายโลกเรียนรู้เอาวิชาการต่างๆมาสร้างอาวุธนิวเคลียร์มาสร้างสงครามฆ่ากันสมัยโบราณนั่นพวกชนเผ่าต่างๆมันทะเลาะ ก, กันเนี่ยนะนะมันก็เอาไม้ตีกันอะไรมันก็ตายเฉพาะตัวเฉยๆ ตอนนี้เราอยู่บ้านเฉยเฉมันยิงอาวุธนิวเคี้ยมาก็ตายทั้งทั้งบางแล้วเก่งแบบนี้ไงนะโรงเรียนที่ศูนย์โบรานขอยเพราะคูถึงเน้นว่าไม่ต้องเก่งมากมายช่วงเด็กอยู่ที่กับเราเนี่ยอย่างนี้นอยให้มันปลอดภยัยนะไม่ต้องให้มันเอาขยะมากเกินไปให้มันคิดเป็นพูดเป็นทำเป็นคนดีทำอะไรก็ดีคนเก่งทาอะไรก็เก่งทาชั่วก็เก่ง เก่งไม่หมดอ่ะเก่งทำดีเก่งทำชั่วถ้าเป็นคนดีจริงๆเนี่ยนะคว่าเป็นคนดีเราไม่ใช่อยากเป็นนะคนที่ทำดีเราเรียกว่าเป็นคนดีแต่เราไม่เป็นทำดีเพราะทำดีาศาสนาพุทธไม่ได้สอนให้เราเป็นคนดีาศาสนาพุทธไม่ได้สอนให้เราเป็นคนชั่วเป็นคืออัตตา ถ้าเราหลงว่าเราเป็นคนดีเขาว่าเราไม่ดีเราก็ทุกข์แล้วไงแล้วถ้ า, าหลงว่าเราเป็นคนดีแล้วก็ไปว่าคนอื่นมันไม่ดีเนี่ยไอการที่ไปว่าคนอื่นเขาไม่ดีเนี่ยเป็นความชั่วร้ายอย่างยิ่งเป็นวจีกรรมคนดีจริงๆเนี่ยเขาไม่ไปทับถมคนอื่นเขาเตือนสตินะถ้าเตือนสติปุ๊บเนี่ยเขาได้ให้ธรรมทานแต่ไปตาว่าเขา เขาเป็นล้มอยู่แล้วยังไปด่าเขาอีกมึงเสื่อมากเลยมึงโง่งมากเลยเนี่ยนะอันนี้ไม่ใช่เตือนสตินะอันนี้ไปสร้างวัจจีกล่ะเห็นไมศาสนาพุทธสอนให้เราทำดีทำแค่พอดีไม่ติดดีไม่ได้สอนให้เราเป็นคนดีแล้วก็พระองค์กันไม่หมดเลยแล้วก็ทำดีแล้วก็ไม่พอยะละชั่วด้วย เหมือนเราทำดีเราอาบน้ำสะอาดแล้วเราก็ไปทำให้ตัวเองเปื้อนเห็นไหมมันก็กาไรพุบขาดทุนกาไรพุ๊บขาดทุนเห็นไหมมันก็ไม่ไปไหนไงอุตสาขัดออกมาแล้วก็ทำให้มันเปื้อนอีกเนี่ยทำดีแล้วก็ดีแล้วละ่ะไม่ต้องได้ดีนะบางคนบอกอุย้ยฉันทำดีมากนี้เนี่ยไม่เห็นใจฉันเลยหลายปีก่อนมีผู้กำกับคนหนึ่งนะค เป็นเพื่อนญาติธรรมเขาเขาลอพ่อครูมากพ่อครูเข้าไปในเมืองไปเยี่ยมญาติธรรมคนนั้นมเมื่อิรพุ่งกับคนนั้นเดินทางไปธุระที่ขอนแก่นเขาโทรมาคุยกับพ่อครูหน่อยหนึ่งเขาบ่นน้อยใจมากเลยว่าเขาทํางานดีมากเลยเจ้านายไม่เห็นผลงานน่ะ้เพื่อนคนนึงเนี่ยมีแต่เรียเก่งเดินไปเดินมา ได้ขึ้นขั้นก็บอกไม่มีใครเห็นใจเขาเพราครูบอกผู้กำกับยังไม่เห็นใจผู้กำกับเลยเนี่ยจะให้ใครมาเห็นใจทําให้ตัวเองทุกข์อยู่ตรงนี้ถ้าเป็นคนอื่นไม่นับถือเขาจะโกรธมากเลยไอ้นี่ถามว่าเราด่าหรือเราเตือน <c oughs> ก็คุณกําลังทําให้คุณทุกข์อยู่ตรงนี้คุณยังไม่เห็นใจคุณเลยใครจะไปเห็นใจคุณเห็นไหม ก็ต้องมีกิเลสไงเราอยากได้เราไม่ได้เราก็ทุกข์ไงไม่ต้องไปโทษใครนะถ้าจะโทษนะถ้าจําเป็นต้องโทษนะเราผิดตั้งแต่เราเกิดแล้วเห็นไหมวันแรกมันก็แหกปากร้องแล้วไงมันต้องหัวล่อสิดีใจจังเลยฉันเกิดแล้วฉันอิสลาแล้วอยู่ในท้องคุณแม่แปดเก้าเดือนอึดอัดจังเลยมันหัวมันร้องไห้ทําไมเห็นไหมมันผิดแล้วไงมันหลงมาเกิดมันผิดแล้ว แต่ก็ไม่ต้องไปโทษมันด้วยผิดเป็นครูไงผิดแล้วก็ต้องจำแม่นๆนะอย่าผิดอีกนะวันนั้นมีคุณยายคนหนึ่งบอกแกบอกโอ๊ยแก่แล้วไม่ดีนะบอกเออมันไม่ดีมันเป็นยังไงยายนะมันทำอะไรก็ไม่สะดวกไงเจ็บน่วนปวดนี่เออคุณยายจำแม่นๆนะอย่าแก่อีกนะ แกก็มองหน้าพอกูแกบอกทำยังไงล่ะก็อย่าเกิดอีกสิเดี๋ยวก็ลืมอีกแล้วก็เกิดมาอีกไงอย่าแกล้งลืมนะเราเนี่ยแกล้งลืมทุกคนน่ะผู้เจ้าสอนวิธีเนี่ยระลึกรู้ไงสติคือระลึกรู้มหาสติเนี่ยมันมีกำลังระลึกรู้อดีตอดีตเป็นบทเรียนทำให้เราเห็นอนาคตไงทำไมถึงต้องไปอดีต ก็วิชาแรกพุทธเจ้าตัดสรูป ค, คือบุพเพนิวาสานุสติยานยานรู้ว่าเด็กกันระลึกชาติตอนนี้พระครูสอนนะเห็นไหมเรื่องกรรมเมื่อกี้พูดเรื่องกรรมแล้วบางคนเอ๊ะมันจริงหรือเปล่าเฮ้ยไม่อยากเชื่อเห็นไหมเราเป็นลังวิทยาศาสตร์มันช่างตรงวัดไม่ได้ฉันไม่เชื่อดีกว่าเห็นไหะแต่ถ้าเราไประลึกชาติเราไปเห็นตัวเองเนี่ยถามว่าเอายังไงล่ะคุณบอกว่าเชื่องูก็ไม่มีขา คุณบอกไม่เชื่องูก็ไม่มีขานน่เนี่ยมันไม่ใช่กำปั้นทุบดินนะมันเป็นเช่นนั้นเองแต่ถ้าเราไปสัมผัสอดีตเราเองมันข้ามพ้นเรื่องเชื่อไม่เชื่อละมันเป็นปัจจตังเวทิตาโพวินยูหีเป็นสิ่งที่รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนเหมือนวันก่อนมีคนมาลาพรนะครูนมาอยู่เจ็ดวันนะพระครูเป็นยังไงเจ็ดวันนี้ก็บอกเบาเามันโล่งโล่ง พ่อครูถามว่ามันกี่กิโลแกงงมันช่างตัววัดไม่ได้ไงเกิดมาไม่เคยเบาอย่างนี้อจริงๆแล้วเด็กๆมันเกิดมามันก็ริ้มรดความเบาความว่างอยู่แล้วนะเห็นไหมมันดีใจมันก็เฮ้ยไม่มีมารยาทมันเสียใจมันก็กริ้งร้องไห้ร้องไห้เนี่ยเห็นไหมแล้วลุกขึ้นมามันก็เล่นกันต่อเห็นไหมมันเบาอยู่แล้วมันว่างอยู่แล้ว แต่ผู้ใหญ่เราไม่ใช่ยิ่งเรียนรู้มากแค้นนี้ต้องชำระสิบปียังไม่สายผ่านไปเก้าปีสิบเอ็ดเดือนยี่สิบเก้าวันอีกวันหนึ่งจะหมดเวลาแล้วเนี่ยคืนนั้นย่าไปคิดถึงศัตรูอีกนอนไม่หลับทั้งคืนหนึ่งมันต่อวีซ่าไปอีกสิบปีผู้ใหญ่เรายิ่งเรียนยิ่งรู้ไหมยิ่งเก่งไหมถ้าคนเก่งทใหมตัวเองทุกทาไมเก่งจริงๆอย่าทุกข์สิ ตอนที่เราหาคนเก่งจริงๆในโลกนี้ไม่ค่อยมีหรอกมีแต่คนรู้มากถ้าคนเก่งจริงๆเนี่ยต้องสามารถทำให้ตัวเองพ้นทุกข์ได้นั่นสุดยอดของความเก่งมันไม่มีวันลืมเลยนะไม่ใช่ว่าแก่แล้วอุ้ยไม่ดีเลยไม่ดีเลยแม่ไม่ได้ก็เกิดมาแกอีกแกลืมอคุณยาอย่าแก้งลืมนะ จะบอกแก้งลืมยังไงก็จำแม่นแม่นทีแก่มันไม่ดีเนี่ยห้ามห้ามห้ามแก่อีกบางคนผ่านแก่แล้วเจ็บโอ้ยโอ้ยโอยะบางคนผ่านเจ็บข้างหัวมันแต่เวลาจะตายยังตายไม่ลงยังห่วงลูกห่วงหลานห่วงทรัพย์สินจรินทานซ่อนไว้ตรงนั้นซ่อนไว้ตรงนี้ยังไม่บอกลูกเลยก็ตายไม่ลงอีกมก็มันห่วงไงพอตายปุ๊บมันก็เลยเกิดมา นะวินาทีสุดท้ายเรามีโปรแกรมอะไรค้างอยู่เนี่ยมันจะไปตรงนั้นมันจะไปตรงนั้นโดยเฉพาะความผูกพันเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกกันเนี่ยมันเป็นตำาละเอียดลูกนี่น <c oughs> ก็เหมือนก้อนเนื้อกอนหนึ่งของคุณแม่ตอนนี้เรานั่งเถียงกันนะว่าตอนตั้งตั้งท้องอยู่ตั้งแต่นอนเขาบอกว่าจิตมาจุติตั้งแต่ตั้งท้องแล้วเนี่ย พ่อคูเคยบอกพ่อคูไม่เห็นด้วยแต่เรื่องนี้พูดไปก็มีประโยชน์เพราะว่าไม่เชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้นะมันมีด็เอร์คนหนึ่งอยู่แคนาดาพ่อคูจําชื่อไม่ได้หรอกเขาสะกดจิตขายหนังสือขายไปทั่วโลกเขาเคยสะกดจิตผู้หญิงคนหนึ่งเขารักษาโรคด้วยสะกดจิตให้ระลึกชาติไปจ่ายหนี้กรรมเก่าะผู้หญิงคนนั้นก็เห็นเลยว่าตอนที่เขาตายนั้นเขาไปเป็นนางฟ้า นะเขามองเขาก็ชี้เห็นมาอินเดียแดงคนหนึ่งผู้หญิงอินเดียแดงเนี่ยตั้งท้องอยู่จะไปตักน้ําเขาบอกว่าเขาต้องมาเกิดอยู่ในท้องแม่คนนี้ตอนที่เขาตั้งท้องเนี่ยเราใช้จิตวิญญาณของแม่เราเป็นนึกมันเหมือนก้อนเนื้อก้อนหนึ่งเนี่ยของแม่ส่วนจิตวิญญาณมันจะมาตรงไหนน่ะโอเคมันมาเมื่อไหร่ก็ได้หรือว่ามันมาจนวินาทีที่จะคลอดก็ได้ไม่ใช่ว่า พอตั้งท้องปุ๊บเนี่ยตอนนั้นมันใช้วิญญาณของแม่แต่เรื่องนี้เรารู้ไปมันก็เถียงกันเปล่าๆนะแต่ถ้าเรานั่งแล้วเนี่ยเห็นไหมตอนนี้ทุกคนจำเวลาเราเกิดได้ไหมใครจำได้บ้างชาตินี้เราเกิดมาอารมณ์เป็นยังไงลองยกมือขึ้นหรือสิยแรกเกี่ยวกับพ่อกูหลายคนจำไม่ได้ เพราะตอนนั้นสมองมันไม่จำมันยังไม่เรียนวิชาจำเกิดก็เกิดสิแต่จิตมันรู้นะพอเรานั่งรีวายไป ล, ลรนึกชาติเนี่ยนอ้วนนั่งอยู่ข้างหลังเนี่ยเห็นตอนแก่ตอนเจ็บตอนตายร้องไห้ในกรรมฐานแก่ก็ทุกข์เจ็บก็ทุกข์ ตอนนี้น้อ้วนยังไม่เคยตายทําไมน้าอ้วนรู้ว่าตายมันทุกข์น้าอ้วนตายมาหลายชาติแล้วตอนนี้น้อ้วนไม่แก้งดื่มแล้วมหาสติปัฏฐานเนี่ยมันจะทําให้เราไปเสพอารมณ์ผ่านมาแต่วันที่น้อ้วนไปเห็นตอนที่ตัวเองเกิดนะแหกปากร้องเลยเนี่ยน้อ้วนมารายงานบอกว่าพ่อครูการเกิดทุกข์ยิ่งกว่าอย่างอื่นที่เราแก่เราเจ็บเราตายเนี่ยต้นเหตุคือเราเกิดเห็นไหมเด็กมันจึงร้องไห้ อยู่ในท้องคุณแม่อบอุ่นไม่รู้ร้อนไม่รู้หนาวไม่ต้องทำมาหากินพอคลอดออกมาปุ๊บเนี่ยมันแหกปากรองเลยทำไมมันต้องหัวเลาะสิฉันอิสลาแล้วจากนี้ไปฉันทุกข์แน่แน่นี่คือสัญชาตญาณญาณรู้ซึ่งเป็นสัญญาในอดีตชาติจิตดวงนั้นเขาจำได้หมายรู้ว่าเกิดทีไร ทุกทุกทีนี่แหละที่เขาบอกว่าทุกเพราะเกิดแก่เจ็บตายแต่ถ้าเราเข้าใจลึกซึ้งแล้วเนี่ยเราข้ามพนตนนี้แล้วเนี่ยเราจะไม่ทุกข์อีกต่อไปเราจะรู้ว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาแต่ตอนนี้มันเป็นทุกข์เพราะเราไม่รู้ความจริงวิธีจะรู้ความจริงได้ยังไง ไม่ใช่ไปอ่านหนังสือไม่ใช่ฟังพระกูเทศเออเข้าใจมันไม่เข้าจิตสมองรู้แต่จิตไม่รู้วิธีรู้ความจริงเราต้องเจริญวิปัสสนาเข้าไปสัมผัสอารมณ์นั้นด้วยเราเองไม่ใช่เห็นครั้งเดียวนะต้องเห็นบ่อยๆจนไอ้จิตปัจจุบันนี่มันเกิดลาบจำภาษาอังกฤษบอก exactly มัน totally มันบ e ว่าทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันถึงจะวางลง นะไปอดีตตอนนี้มีญาติที่ทำนะกูยังไม่ได้คุยด้วยอยู่ชั่วโมงยืนเดินนั่งนอนอะไรเนี่ยก็เข้าไปในจิตนะให้ฝืนตัวเองเพราะตอนนี้จิตเรามันเบื่อมากถ้าตามใจจิตนะมันไม่อยากจะ อ, อยู่นอกมันอยากจะเดินทางของมันอยู่ละแต่อย่าลืมนะชีวิตเราต้องอยู่ข้างนอกถ้าเราเทให้มันร้อยเปอร์เซ็เลยเนี่ย มันจะไปกระทบวิถีชีวิตปกติของเราเราต้องอยู่กับส ม, มุติบัญญัติอยู่กับกายภาพอยู่กับข้างนอกการเข้าโปรแกรมเช้าสายบ่ายเย็นเนี่ยต้องฝืนตัวเองนะทำตามเหตุและปัจจัยอย่าทำตามใจถ้าทำตามใจแล้วเนี่ยเราจะถูกกิจมันดึงไปเราไม่สนใจฉันจะอยู่กับเขาสบายสบายไงถ้าเราติดบ่อยๆเนี่ยพอออกไปข้างนอกใช้ชีวิตเนี่ยมันจะหลุดมันจะทาลายส ม, มุิบัญญัติคนอื่น ผู้เจ้าตัดไปว่าบรมพชิตไม่เสพส่วนสุดตงสองส่วนระหว่างข้างนอกกับข้างในข้างนอกคือกายข้างในคือจิตถูกผิดดีชั่วขาวดํามันเป็นของคู่ทางสายการก็คือว่าไม่ติดอะไรทั้งนั้นที่เราฝึกจิตนี่คือว่าเข้าไปในจิตเราก็ไม่ติดถึงเวลาเข้าเราก็เข้าเราก็ควบคุมมันได้ถึงเวลาออก มันเบื่อแค่ไหนก็ช่างแล้วก็ควบคุมอารมณ์ได้ต้องฝึกนะเราเข้าไปในอดีตเพื่อประสบการณ์อดีตเพื่อจะมาอยู่ปัจจุบันเพื่อปลดปล่อยจิตปัจจุบันนั่นแหละแต่จิตปัจจุบันมันยังต้องใช้ชีวิตกับอยู่กับข้างนอกสังคมก็คือสมมุตริร่างกายก็คือสมมุติแต่เราทิ้งสมมุติไม่ได้อันนี้ต้องต้องฝืนหน่อยนะปลาเป็นทวนน้ําปลาตายตามน้ําถ้าปลาน้ําจืดมันมักง่าย มันเอาแต่ใจตัวเองมันขี้เกียจทวนกระแสมันตามกระแสไม่ต้องว่ายเลยเห็นไหมสบายๆมันออกทะเลมันตายหมดเลยทําไมมันรู้ว่าต้องว่ายทวนกระแสมันเป็นสัญชาตญาณญาณรู้ซึ่งเป็นสัญญาในอดีตชาติมันจําได้ไหมายรู้ว่าต้องทวนกระแสนั่นคือปัญญาขั้นพื้นฐานของสัตว์โลกแต่สัญชาตญาณตัว น, นี้มนุษย์เราหายหมด เราถูกครอบงาด้วยความรู้ผิดขึ้นแฝงด้วยความโลภโกรธหลงเนี่ยมันมาคอนโทรลชีวิตเราเราทำตามใจตัวเองตลอดเราวิ่งไปตามกระแสเรากลัวไม่ทันเขา follow is mean behind ตามแปว่าไม่ทันแปว่าทาดเราต้องทวนกระแสแต่เราก็อยู่กับโลกไม่ใช่หนีโลกเราต้องอยู่เหนือโลกเป็นทางเดียวที่เราจะพ้นทุกข์ นี่คือเป็นตัวอิสระเป็นตัวฟรีเดมของเราแต่เราก็อยู่กับมันแต่ว่าเราไม่ไปติดมันนะพอเราเข้าจิตมันสบายๆไง ช, ไชั่วโมงที่เข้าก็ต้องเข้าชั่วโมงที่ต้องอยู่ข้างนอกก็ต้องอยู่ข้างนอกอันนี้คือฝึกจิตไงฝึกเพื่อควบคุมจิตอย่าให้เป็นเหยื่อของอารมณ์ทั้งข้างนอกทั้งข้างในเนี่ยบำมัดิตไม่เสบส่วนสุดตรงสองส่วนระหว่างข้างนอกกับข้างในนะก็ ก็ลองฝืนๆ น, นะการปฏิบัติธรรมคือการทําตามธรรมชาติไม่เนื่องด้วยกิเลสไม่เนื่องด้วยกิเลสนะทีนี้ไอ้กิเลสมันจะขวางเราอยู่เราก็ต้องทวนกระแสฝืนมันหน่อยหนึ่งโอเคนะก็ใช้เวลาพอสมควรเราจะได้ปฏิบัติกันต่อไปสุดท้ายนี้พวกครัขอรัตนาคุณภาษีรัตนาใจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในส า, นากลจักรวาล